ซ่อมเองซ่อมเองผู้ยงคนเงิมตจะคล้องเอ้ซ่อมยี่้อเลื่ยซ่อมจะองนี่ยการซ่อมอยู่จะคลองรู้ต่อมยู่ดนมันติดสลาดในเรื่องของจะคองเกิดหน้าห้ารพูดสาคัญเน่ยเป็นตัวค้องนี่แหละคล้องทีเข้มสีฟุ้ยสี กินขา้าวแช่กินขา้าววอแช่ติดไข้ีิป่วยเลไล้เป็นโรค น, น, นั้นโรคนี้หรอได้ถึงพุทธจะติสายนรกเข้าถงตับหูอันนี้แหละหลไล้ลือ ป, ประโยชน์ประโยชน์ของการหูนีน่มีอยู่ได้ต้องแต่ดเด็กเตียมโตเข้าโ ม, มนสีอยู่จำหน่งสีแทงแรงสอยู่ดีม่แห้งี้ตลอดไปพนโบเมนสัน มันเนีคข่วมอยู่เป็นทุกสบายอยู่ดีนี่แห้งบพดโดนปรนเลดใน้นเขาให้ร่องติเจลหน้ า, าเพราะแตคผูแดอายุได้หลายแล้วรนะ่องสิคขืดหย่อนขึ้นไปบนหย่อนไปหอดได้ตนต้นเหมืนลัเขาเป็นเด็กนอนบวนสนุษย์นานแลนเที่ยวแลนเบนบวลหลายพรท่านดน ตะตอกเปเงี้ยนดังสีอะไเนี่ยเป็นเงี้ยนังสีที่แหลกก็บ่าอยากไปแหละโรงเรียนเครื่องใครเค่องพ่อพ่อแม่ปูรักปูยัยเนี่ยสัยดดคยงคับไปเปนเงี้ยนเนี่ยพ่วงทุกค่วงมวลสม่ไมเด็กน้องเม็ดกันขม่าไปยุโรงเรียนเนยเปนเงี้ยนดังสี ผมตั้งใจเรียนผค่อยดีม้วนคนใดแค่สักวนตามภษาของนักเรียนคนไดคนหนึ่งรู้วิใหญ่ที่มาเป็นมุนเป็นสาวก็ขันมวนหรือมวนกับหนุ่มกับสาวเป็นหลัก่ิวพุเดนี่มันว่ามวนได้ค่น้อยคนใหญ่แลบววเนใหญ่กลางต้นทีขอบทีขั้วมีขัวมีเนี่ยมีลูก่างขอบสางขั้ว เขาสางขอบสางขั้วล้วลันหนึ่งเห็นชัดเลยโ mm hmm. บ้คอยมวนละวันหนี้ตส่งควัดส่งเสียหายยูหากินทำมาอาสิดหาเรียงตนเลียงตังวขอบขั้วกันหาหักขาฐานทีลูกลเลยเยียมเยียมสักชิ้นเงินท่องเยียมจริงเยียมเ้องไว้ตายให้ลูกไว้ายให้การศึกษาบอกัารตลาดเพื่อลูกเพื่อเต่า โบได้โบได้ทั้งหลายดอกนี่อดรับอดนอนหาอยู่หากินหาเงินท่องได้หลายเพื่ออยู่เผื่อเต่าเงี้ยนึ่งสื่อเพื่ออนาคตเพื่อะยุ่งฐานะของกอบของข่วนข้าวเดียวได้เพื่อนสนนี่เผาเด้่อยลงไปเราเป็นวหยกางคนเป็นผู้รักผู้ใยหลายเป็นวัยกลางคนคอยๆได้ไปงานศพนั่งงานศพนี่ได้บ้่มูกระายบ้าง กลุมที่ที่ป่านาอาตายกูคแค่จะค้องกัเบเทปใครได้ควยเริ่มเป็นอะเนี่ยเริ่มคุยเริ่มคุยมีเห็นว่าม้วนเหมือนมวนตัวอะรเเวลาที่มิจตวิตอยู่นีม้วนนิดเกียวตอนนั้นน่ะนอกจักนี่ความทุ ก, กันและนำคนมาล้ากปยังที่ก็ดนกับพาะกนัน ยางไก่เหม่ยมีเขอะมากเนยยางมากยางมากพี่ังทุกค้นยางใอยเม่นลูกนี่แหละยางไปเ้าไปยางใส่เม่นเจ้าน้าสตุลเไปในปักตัวอะไรนี่เขาเป็นปักตูวเม่นแล้วพอออกแล้วะเนี่ตายแคงขันละทุคนทุคนัาอายุไร้แล้วเนี่ยซ่อมตรงเนี้ยซ่อมคูมือคูมือแห้งเสียสัตว่ยมันซ่อมเจ็บซ่อมป่วยเนี่ยเจ้าหนาสตุวยป็นนั่นตุลเปนนีเขาก็บ่อยากนี่แ เมื่อยแต่เมื่อยขึ้นยังมันหดเมื่อยยืดหดไข่เที่ยวไข่อยู่เรื่อยอย่างนี้อาการต่างๆเราดูมันก็สิชัดขินซัด้นใหญ่ขึ้นไหขึ้นอัว่าคุ่มคุยเนี่ยุ่มไข่เมื่อเทียวเครื่องไ่เมื่อตัวชีวิตเข้าจะสุ่มหม้บานินนี่วางมวนวางต้นใอยู่บ่อไหลเนี่ยบ่อไหตซอมมึงได้เหนตัวซอมแล้วก็เห็นแหะคือตัวมีแต่ของดีอยู่มวนต้าบอยู่ ขนาดเท่าๆแล้วแต่แน่ทีเอาคืดทีเอาเล่งสีเอาอันุ่อันที่ตึมกว่าไปอยู่มันเข้าซ่อมตัวของกระชากจะอันนี้วิพีดอกวิธีทีเเกียมโวนุ่ยยุคักเข้าภาวนาอัดตัมมาพีคืดตสีพ่วมคืด่วมระลึกเห็นไหมระลึกไปตัวเห็นไหระลึกลึกพิษมาหายตัวของ มันเป็นคีย์ซ่อมวของอลึสกมากซ่อมยืนี้หละมันนั่งอยู่บอกคือมันยืนอยู่คือมันกาลังบางยันมันใช้ปากบ่อเอาคาเผาใช้ปากบ่อย่างนี้แหละดีๆซ่อมซ่อมดึงตัของซ่อมดึงมันเจ็บมันป่วยมันปวดทางดกันซ่อมแล้วพันธูจักแล้วบอโอ้หมันกาลังป่วยมันไน้ห้ามบ่มักเลยกัพยายามฮดได้ป่านี้ หัดตั้งใจไวให้ดีอย่าให้มันดินมันห่นไปยใหญ่มันคืดมันยานให้มันอยู่เป็นปกติอะไรกันเทาซ่อมจะฟ้องเหลาใจมันพี่บอใจบอดีด้วยเนี่ยเลยไายประคับประคองใจไวบ่อยมันคือดนยานคื้หวัดคื้วันพื้นักคื้นสร้างยังกับบ่อยซักบ่หักบ่สร้างละมันอยู่เป็นปกติกตห้ไรรื่อที่เหล่าีที่ เหตุของเห่าเตรียมของเห่าปุ๊บจริงๆนะการที่เห่าฮัดสูงกับอารมณ์นั่นอารมณ์นี้เป็นการฝึกเด่นอันก็จะเหอากับศารษะมจะหอดเดียวไม่แล้งเลยนะยังมานั่งเดินวาวผ้าวาวูโทษจะคอยวาวอันชนบัปา ก, ปากบกปกปกัวโว่ก็ปุ๊บคืดละเวลาเห่ากัเนื้อน้อยแล้วเท่าแล้วคืดใจของตาต่ซ้อมจากของหูกับว่งจากของ ใจเนี่ยแห้งมะขือถายจะของซ้อมจะของหลายมันสั่นเอมันมีหลายแนวอยู่เป็นแต่ซ้อมล้มหันใจยังีเสียเป็นแต่ซ้อมอยู่หันใจเข่าหันใจออกเนี่ยมันทันใจเข่าหันใจออกมือและจังหลายพันเชื้อได้ค้นไอ้ซ้อมให้มันในแค่เครื่งนึงในหนะซ้อมขูเมื่อล้มหันใจเข่าล้มหันใจออกยัเสียไม่ใช่หรือเป็นภาวน่า ขันเท่าเตรียมตัวกรยา ง, ขงเขาเ้าไครูเมมนเตรียมไว้นี่ละ่ะเตรียมภาวนานี่ล่ะ้มันเข้าเมได้โดยบ่คึาาเกเนี่บ่คึกยากบ่บ่เกงบ่บ้านอันนั้นหละจ็นการภาวนาที่ดีการเตรียมตัวที่ดีทุบนยางเขาไปหันละเปเมมะซอ ม, น, อมนี่ยผมก็ซ้อมบบบ่ได้ละ เดทา่าคนนั้นคนนี้ชาวนาแอแ่เอตสงเอตตาให้เท่าโอ้ยมันห า, าเรืองเสียเขาจะลืมเขาขบเาแพ่มาก็กได้แหละแม่มาเขาหลับกับวไรมัน ใ, ใหญ่เท่าบีจิจฉาหน้าเดินผีด้ทนพูดีได้อนไรก็ได้เไปทาไปหอด้วยมือแรง่งปนแามนันน้ำมนีป น, นไหลเมื่อไ้ดอกกุยยัง่ะติสซาติเกติดตายกินเขาสูงเขไปเขาเม่มซี่อเ น, นี่ย แราเล่นปั้นมา